ครับผมแล้วก็จะใช้คําพูดของพรชพาเนี่ยมาในการวิเคราะห์แยกแยะแจกแจงเปิดประเด็นอะไรต่างๆซึ่งในกรณีนี้หมอรัตตพงศ์ก็มาช่วยในการเพิ่มประเด็นแง่คิดต่างๆคําถามอะไรต่างๆก็มาจากทางหมอรัตตพงศ์ด้วยครับวันนี้เรามาเจาะลึกทางด้านของสติปัญฐาสี่ที่ค้างค้างไว้จากงวดที่แล้วนะครับใช่ก็<อ>เรื่องของสติปัญฐานยังพูดกันไม่จบครัับบนี่เป็นต่ออยู่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 เขาเรียกว่าแนวทางดําเนินไว้หลักๆในการที่จะทํางานให้จิตของเรามีสตินะก็เราได้พูดไปแล้วว่าให้ใช้กายนี่แหละทําให้เกิดสติอที่เรียกว่ากายานุปัสสนาสติปทานถูกต้องหรือว่าคุณจะใช้เวทนาไหมล่ะความรู้สึกเนี่ยให้เป็นที่ตั้งของสติก็ได้แต่บางคนบอกว่าฉันนั่งสมาธิแล้วปวดงั้นฉันจะเอาจิตของฉันไปอยู่แช่อยู่ที่ตรงปวดนั่นแหละนะให้มันมีสติทําได้ไหมหมอหรือพงศ์ว่าทำได้ไหม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 เป็นฐานที่ตั้งที่ดีในการที่จะทําให้เกิดสติได้อ๋อเป็นเวทนาถู ก, ก, กเป็นทุกขเวทนาได้เวทนาครับเป็นทุกขเวทนาในการที่จะทําให้เรามีจิตมีสติอยู่ได้แต่นี่มันไ ม, ไม่ใช่ว่าทุกคนจะทําได้นี่ครับไม่ใช่ว่าทุกคนที่จะเกิดเกิดทุกขเวทนาแล้วจะสามารถอดทนอยู่ได้ต้องมีอินทรีย์แก่กล้านะครับอคนนั้นเขาก็ต้องมีความสามารถของเขาระดับหนึ่งห ร, รือวิธีที่สองคุณอย่าไปสนใจ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 อุบาสกอุบาสิกาที่เคยมานั่งสมาธิที่วัดป่าดอนไฮโศกเนี่ยนะครับเขากลับไปเล่ากันในหมู่บ้านเป็นชาวบ้านอย่างเงี้ยแหละวันละตัวงศ์เป็นชาวบ้านร้านตลาดชาวบ้านร้านตลาดชาวรากหญ้านี่เลยครับนะเขาบอกโอ้มีความสุขมากๆเลยนะไปถึงนี่นะก็กินก็มีคนทำให้กินไม่ต้องทํากินเองไม่ต้องพูดถึงซื้อกินเลยนะไม่ต้องซื้อนาทีละครก็ไปกินมีถึงเวลาก็ไปนั่งสมาธิถึงเวลาเขาไปเดินจงกรมถึงเวลาก็ไปพักถึงเวลาก็มาฟังธรรม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 เป็นเป็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายนี่ถ<อ>ูกไหมที่พระเจ้าบอกว่าเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตตะสังขารหรือการปรุงแต่งในจิตเนี่ยหายใจเข้าหายใจออกอยู่เนี่ยเป็นเวทนาในเวทนาอ่าเป็นการตามเห็นซึ่งเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู่เป็นประจําอืำจิตสังขารนะจิตตสังขารการปรุงแต่งในจิตาร<ม>เป็นเวทนาเ ห, หรอเนียแล้วก็การทําจิตตะสังขารให้ระงับ เป็นเวทนาอย่างหนึ่งเป็นในเวทนาทั้งหลายคือพอเข้าใจครับ อ, อันนี้พอเข้าใจจิตต <c oughs> สังขารให้ระงับก็คือ อ, อย่าไปปรุงแต่งมันสังขารคือความปรุงแต่งทางจิตเนี่ยก็อย่าไปปรุงแต่งมันอยู่อ ย, อ, ยอยู่กับอยู่กับกายเวทนาอย่างที่บอกเนี่ยครับใช่ที น, นี้เราต้องมาดูตรงตรงคีย์เวิร์ดตรงนี้เรากำลังจะเปิดทาที่ถูก ป, ปิดนะท่านที่สงสัยกำลังฟังอยู่นี่นะครับผมว่าเอ๊ะมันเป็นเวทนาได้ยังไงอาจารย์จะอธิบายให้ฟังพระพุทธเจ้าบอกว่าการทําในใจเป็นอย่างดี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 ครับถ้าเข้าใจถ้าเข้าใจตรงนี้แล้วเราจะเข้าใจประโยคนี้ว่าทําในใจเป็นอย่างดีถึงลมหายใจเข้าและลมหายใจออกแสดงว่ามีผัสสะเกิดขึ้นนะตรงนี้นผัสสะของลมหายใจที่อยู่ด้านในปพรงจมูกเกิดขึ้นแล้วคุณทําในใจอย่างดีตรงเนี้เกิดอะไรขึ้นและทําใจใจอย่างดีตรงนี้ต้องมีการปรุงแต่งแน่นอนของจิตเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นตรงเนี้เรามาอ่าเราามรับรู้จิตต่าสังขารเพราะจิตเนี่ยมันอยู่ใต้จิตตาสังขาร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 ใช่ครับพอจิตต่สังขารสงบระงับแล้วเนี่ยคุณจึงจะเริ่มเห็นจิตได้นะทีนี้เวลาที่เห็นจิตเนี่ย อ, อรู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตเนี่ยตรงเนี้ยลมหายใจเนี่ยจะเบาไปละอ๋อครับผม أ, เพราะว่ากายสงบระงับเนี่ยคือกายเนี่ยมันจะเริ่มเบาเลมหายใจเนี่ยจะเบาไ ป, ไปละพอลมหายใจเบาไปแล้วเนี่ยเอแล้วเราสามว่าถสติไปตรงไหนอ่ะถ้าเราบอกว่าให้ให้เอาใยใจของเรานะ ไปจดจ่ออยู่กับสัมผัสของลมหายใจด้านในโพรงจมูกให้ไปรับรู้ถึงสัมผัสของลมหายใจด้านในโพรงจมูกเอาลมหายใจหายไปแล้วใช่ครับเอาลมหายใจหายไปแล้วในโพรงจมูกเอาจิตไปไว้ไหนดีครับพอลมหายใจเบาจนจับจับรู้สึกไม่ได้จับจับความรู้สึกไม่ได้เนี่ยครับตรงนี้แหละก็ต้องเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตหายใจเข้าหายใจออกก็อยู่ที่เดิมนั่นแหละอยู่ที่จิต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 นั้นเป็นการปรุงแต่งทางจิตอออันนั้นไม่ใช่ไม่ใช่หมวดของจิตตาพุทโปสัสสนาจะเป็นหมวดของเวทนานุปสัสสนาอาอย่างไรก็ตามจะตอบปัญหานี้ก็คือว่าก็ต้องอยู่ที่ว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องกุศลหรืออกุศลสมมติเป็นเรื่องกุศล น, นะฮะเรื่องกุศลก็คิดได้สามารถพิจารณาได้เ <c oughs> ช่นว่าเราไปทําบุญที่ที่วัดนั้นวัดนี้โอ้ oh, เป็นบุญเกิดขึ้นอย่างนี้นะมีการ<ข>าถวายทานมีการสวดมนต์นั่นมันก็<ม>ก็เป็นเรื่องกุศลนะเนาะก็สามารถคิดได้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 แต่ย่าตรึกซึ่งวิตกอันเข้าไปประกอบอยู่ซึ่งกับจิตเลยซึ่งกับเวทนานั้นเลยก็คืออยา่าคิดปรุงแต่งในเรื่องนั้นต่อไปอ๋อเข้าใจครับให้นึกถึงเรื่องนั้นแต่เอาเวทนาของเขาแล้วมามีสติอยู่แต่อย่าปรุงแต่งต่อไปครับนี่อรือไหมพระพุทธเจ้าจ <|ja|>> ึงเตือนไว้ตรงนี้บอกว่าถ้าเธอเป็นผู้ตามเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู่ก็ให้ตริตรึกซึ่งวิตกอันเข้าไปประกอบกับเวทนาแต่อย่าตรึกซึ่งวิตกอันเข้าไปประกอบกับเวทนานั้นเลย คือมันเหมือนมีสองก้อนอ่ะใช่ครับก้อนหนึ่งอ่ะสก้อนติดกันก้อนหนึ่งเป็นวิโตกอีกก้อนหนึ่งเป็นเวทนาสติของเธอต้องอยู่ที่เวทนานะสติของเธออย่าไปอยู่ที่ก้อนที่เป็นวิตกแค่นั้นอ <ๆ S 2> เองซึ่งกายก็เหมือนกันเห็นกระดูกอยู่ใช่ไหมครับแต่อย่าไปจิตของเธอนะสติของเธออย่าอยู่ที่กระดูกนะให้อยู่ที่อ่ากายอย่าไปอยู่ที่วิตกอันเข้าไปประกอบอยู่กับกระดูกนั้น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 ครับมครับแล้วก็นี่คือเรื่องของจิตในจิตครับตรงเนี้ยมีคำถามครับมีมีคำถามจากคุณกนกรัฐพอดีเขาถามมีสองคำถามคืออันแรกคือถามเรื่องจิตนานุปรัสนาสติปฐานที่ท่านตอบไปละเมื่อสักครู่เขาถามว่าอะไรมีคำถามอีงเขาถามว่าผู้เข้าไปหาเป็นผู้ไม่หลุดพ้นอืผู้ไม่เข้าไปหาเป็นผู้หลุดพ้นอ๋อแต่จะตอบตรงนี้จะสะดวกไหมครับเอาไว้ในดวงตบเลย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 ขันทั้งสี่ที่เหลือเนี่ยก็สามารถที่จะหลุดพ้นคือเข้าสู่วีมตทได้ใช่ไม่ทราบอันนี้อันนี้ถูกแล้วละ่ะก็อีกอีกประการหนึ่งถ้าเราเอาพูดอย่างห ย, ยาบๆเลยนะหยายบคุณไปห้างสับสินค้คุณเห็นโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ล่าสุดเห็นกระเป๋าใบสวยๆรองเท้าท ง, งานอย่งางเงี้ยเข้าไปหาเลยครับเข้าไปหาเลยอันนี้มันไม่มีทางเป็นอิสระจากตาหูจมูกลิ้นกายใจได้ใช่ว่าพวกนี้ยังตกเป็นทาสของตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่มีทางหลุดพ้นอย่างนี้นะอันนี่ก็ตัวอย่างง่ายๆอื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 ทิ้งๆกว่าไปไม่เอาเออนะให้จิตเนี่ยมีอยู่มีสติคือรับรู้อยู่กับลมหายใจตลอดเวลาอย่างนี้ ค, คือจริงๆมันมาด้วยกันนะสติปัฏฐานทั้งสี่ไม่ได้ย่อแยกกันพิจารณากันอะไรใดลักษณะใดลักษณะหนึ่งเลยนะอันนี้คือเรื่องของจิตอ่าจิตตามนุปัสสนาสติปัฏฐานหรือว่ากา ร, ร, รตามเห็นจิตในจิตส่วนเรื่องของธรรมะนะคือธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐาน ก็คือเป็นผู้ที่ตามเห็นความไม่เที่ยงนะหายใจเข้าหายใจออกคือถ้าเมื่อไห ร, ร่เธอเห็นความไม่เที่ยงแล้วก็สังเกตลมหายใจไปด้วยนะนั่นแหละคือผู้ที่ชื่อว่าเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายแล้ว อ, อ, อครับเห็นความไม่เที่ยงใช่ไหมแล้วสังเกตลมหายใจไปด้วยนั่นแหละเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอ า, านาปานสติะแล้วถ้าอย่างนี้มันจะไปเรียกว่าเป็นสมถะอย่างเดียวได้ไงอันนี้มันชัดเจนน่ะคุณเห็นความไม่เที่ยงใช่ะเห็นลมหายใจด้วยเออมันไปด้วยกันได้คนที่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 วางปุ๊บปั๊บแล้วก็แตกดับหมดเลยไม่ใช่งั้น<อ>พระพุทธเจ้าบอกว่าธรรมะของพระเจ้าเนี่ยเป็นลันกษณะของเหมือนไหลตะเลยอวิชา<อ>วชาเนี่ยพระพุทธเจ้าใช้คําว่าจางคลายดับไปไม่เหลือเพราะฉะนั้นมันจะ ค, อ ค, ค่อยๆจางคลายไปอวิชชานะจะค่อยๆจางคลายไปจางคลายไปโน้มเ อ, อยียงเทเอียงเป็นลักษณะเนี้ยลาดเอียงเทเอียงอจางคลายไปเนี่ยหมาย ค, มาความว่าคุณอวิชชาคุณจะค่อยๆลดลงอย่างตอนเนี้ยถ้าเราบอกว่า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 อ๋อให้ท่องไปในทั้งสี่ที่เรียกว่าลูกลูกในคอกใช่ไหมครับมีพระสุนันนคอก็คือเป็นผู้ที่เป็นบุตรของพระเจ้าเนี่ยให้เข้าท่องเที่ยวไปในที่อเนนบิดาของตนนพ่อไปทางไหนลูกก็แปลงนั้นน่ะนะพ่อไม่ไปที่อื่นนอกจากมีสติคือสติฐานทั้ง4ี่กายพัฒนาจิตธรรมเพราะนั้นให้จิตของเราเนี่ยท่องเที่ยวไปใน4ีที่นี้เท่านั้นครับคุณจะไปอยู่ไหนอ่ะอเมริกาเหรอปาเหรอ